เรื่องการยอมจำนวนและความดื้อรั้นและเรื่องการต่อสู้ระหว่างพลพรรคของอเล็กกับพลพรรคของไชตอรในการนี้ได้นำมากล่าวไว้สองเรื่องด้วยกันคือเรื่องแรกเกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงในการปกครองและการใช้อำนาจโดยยกตัวอย่างเรื่องของฟิรอุนนักปกครองที่ใช้อำนาจกดขี่ประชากรชาวอิสร า, าเอลให้ได้ลิมรสการลงโทษอย่างแสนสาหัสคือการฆ่าบุตรชาย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 จะด้วยทรัพย์สมบัติหรือเกียรติยศหรืออำนาจก็าตาม บ, บทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงความเกรียดกราดของฟิรอูนุนความหยิ่งผยองและการบ่อนทำลายในแผ่นดินและวาทะแห่งความหยิ่งผยองในทุกการเวลาและทุกสถานที่จากนั้นได้กล่าวถึงการกำเนิดมูซาความกลัวของบรรดาที่มีต่อฟิลิปนและการดลใจของอัลลอ์ให้แก่หนากโดยโยนเขาลงไปในแม่น้ำนาย เพื่อเขามีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรต์ภายใต้การคุ้มครองของฟิรอรุนเสมือนกับดอกไม้ที่หอมหวนอยู่ในท้ำกลางเส้นหนามและโคลนตมบทนี้ได้กล่าวถึงมูซาเมื่อบรรลุนิติภาวะการที่เขาฆ่าชาวอียิปต์การอพยพไปนินแดนมัดยันและการสมรสกับบุตรสาวของนบีชูอัยและการที่เอาลอดทรงใช้ให้เขากลับไปยังอียิปเพื่อเรียกร้องเชิญชวนฟิรอรุนให้กลับเข้ามา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 และวาทะแห่งความยิ่งพยองบทนี้จบลงได้การชี้แนะไปสู่ทางแห่งความสุดนั่นคือทางแห่งการอีมานซึ่งบรรดาศาสนาทูตผู้ทรงเกียรติได้เรียกร้องไปสู่บทอัลกอซซถูกขนานนามเช่นนั้นก็เพราะอัลลอห์ทรงกล่าวถึงเรื่องของมูซาอย่างละเอียดตั้งแต่การเกิดของเขาจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอดูง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 มเห ล, ล, ล, ล่านี้คือองค์การทั้งหลายแห่งคำเพี้ยชัดเจ น, ร ق ق นเราอัลลอ์จะอ่านให้เจ้าฟังบางส่วนแห่งเรื่องราวของมูซาและฟิรอโนด้วยความจริง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 และเราได้ดนใจแก่มารดาของมูซาจงให้นมนแก่เขาเมื่อเธอกลัวแทนเขาก็จงโยนเขาลงไปในแม่น้ำ และเธออย่าได้กลัวและอย่าได้เศร้าโศกแท้จริงเราจะให้เขากลับไปหาเธอและเราจะให้เขาเป็นหนึ่งในบรรดาส า, าัสนะทูดังนั้นบริวารของฟิร์กวได้เก็บเขาขึ้นมาเพื่อให้เขากลายเป็นศัตรู และความเศร้าโศกเสียใจกับพวกเขาแท้จริงฟิรูนและฮามานและไพรพลของเขาทั้งสองเป็นพวกที่มีความผิดและภริยาของฟิรูลกล่าวว่า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 และจิตใจของบรรดามูซาได้คลายความวิตกกังวลนางเกือบจะเปิดเผยกับเขาหากเราไม่ได้ทำให้จิตใจของนางมั่นคงเพื่อนางจะเป็นหนึ่งในหมู่ผู้ศรัทธา